พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ห้าอนังคณะสูตรสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งมีกิเลสไม่รู้ตามความจริงว่ามีกิเลส 2. มีกิเลส รู้ตามความจริงว่ามีกิเลส3ไม่มีกิเลสไม่รู้ตามความจริงว่าไม่มีกิเลส4ไม่มีกิเลสรู้ตามความจริงว่าไม่มีกิเลสประเภทที่หนึ่งเร็วประเภทที่สองประเสริฐสุดในสองประเภทที่มีกิเลสประเภทที่สามเร็วประเภทที่สี่ประเสริฐสุดในสองประเภทที่ไม่มีกิเลส พระโมคคัลลานะกล่าวถามถึงเหตุผลที่บุคคลเหล่านั้นดีเลวกว่ากันพระสารีบุตรตอบโดยใจความว่าสองพวกที่ไม่รู้ตามความจริงจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทากาละกิริยาคือตายด้วยจิตเศร้าหมองนั่นเองส่วนสองพวกที่รู้ตามความจริงถ้ามีกิเลส ก็พยายามเพื่อละกิเลสถ้าไม่มีกิเลสราคะก็จะไม่ตามรบ ก, กวนในที่สุดก็จะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสไม่มีจิตเศร้าหมองทําการละกิริยาคือไม่ตายด้วยจิตเศร้าหมองหมายเหตุผู้อ่านทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าถ้าตายด้วยจิตเศร้าหมองก็จะไปทุกคติ แต่ถ้าตายด้วยจิตไม่เศร้าหมองก็จะไปสู่สุขตินะครับแล้วพระสาวรีบุตรได้อธิบายว่าคำว่าอังคณะซึ่งหมายถึงกิเลส ท, ที่เปรียบเหมือนเนินเป็นชื่อของอกุศลบาปธรรมอันเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งความปรารถนาคือมีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นส่วนสำคัญ ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างแห่งความปรารถนาของภิกษุซึ่งเกิดขึ้นในทางที่ผิดรวม13ตัวอย่างพร้อมทั้งเกิดความโกรธความไม่พอใจตามมาด้วยแล้วสรุปในท้ายของทุกข้อว่าความโกรธและความไม่พอใจทั้งสองอย่างนั้นเป็นอังคณะคือกิเลส ท, ที่เปรียบเหมือนเนินตัวอย่างแห่งความปรารถนา13ข้อเช่นภิกษุต้องอาบัต ก็ปรารถนาให้ภิกษุอื่นอย่ารู้เรื่องเป็นข้อแรกปรารถนาให้ตนเท่านั้นได้ลาภภิกษุอื่นอย่าได้ลาภเป็นข้อสุดท้ายครั้นไม่สมปรารถนาก็เกิดความโกรธทั้งความปรารถนาและความโกรธนั้นจัดเป็นอังคณะคือกิเลส ด, ด้วยกันทั้งสองอย่างครั้นแล้วแสดงต่อไปว่า แม้ภิกษุจะอยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดนุ่งห่มผ้าสีหมองอันเป็นการแสดงว่าเคร่งแต่ถ้าละอกุศลละบาปธรรมที่มีความปรารถนาเป็นส่วนสำคัญเหล่านี้ไม่ได้เพื่อนโรมจารีก็ไม่เคารพนับถือเปรียบเหมือนถาดสมริดที่ใส่ซากศพย่อมเป็นที่รังเกียจไม่ชวนให้บริโภคแต่ถ้าละอกุศลเหล่านี้ได้ แม้จะอยู่ในบ้านรับนิมนต์ทรงขฤหบดีจีวอนคือหมายถึงไม่เคร่งเหมือนพระอยู่ป่าแต่เพื่อนพระมจารีก็เครารพนับถือเปรียบเหมือนถาสัมฤธิ์ที่ใส่ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีมีแกงและกับอันมากมายย่อมไม่เป็นที่รังเกียจแต่กลับชวนให้บริโภคพระโมคคัลลานะก็กล่าวสรรเสริญพระสาวรีบุตรว่า เหมือนช่างถากไม้ที่ถากได้ดีถึงใจสำหรับภิกษุที่ยังมีกิเลสส่วนสำหรับภิกษุผู้ไม่มีกิเลสเปรียบเหมือนบุคคลได้พวงมาลัยดอกไม้หอมเสมือนได้ดื่มกินธรรมปริยายนี้ด้วยปากและด้วยใจ